เช่นเดียวกับชีวิตซึ่งเป็นเครื่องส่งหรือดำรงร่างกาย หรือรวมเรียกว่าบุคคลสัตว์ให้ดำรงอยู่หรือให้สงอยู่เช่นร่างกายที่มีชีวิตก็เป็นร่างกายที่ดำรงอยู่สงอยู่ยืนเดินนั่งนอนได้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 ก็เป็นสิ่งที่ทรงอยู่ดำรงอยู่โดยความเป็นโทษและทำให้ผู้ที่มีอยู่ก็ทรงอยู่ดำรงอยู่โดยความเป็นโทษในทุกๆคนย่อมมีสิ่งที่ทรงอยู่ดำรงอยู่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 คือส่วนที่ทรงอยู่ดำรงอยู่นี้มีเป็นสามคือกุศลาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลอากุศลาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลอัมพยากตาธรรมมา ทำทั้งหลายที่เป็นอภยากฤตคือไ ม, ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อากุศลเมื่อจะเชีดตัวอย่างธรรมะที่เป็นส่วนกุศล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 สังขารร่างกายจิตใจอันพร้อมที่จะได้ปฏิบัติกระทาในทางพัฒนาคือทำให้เกิดความเจริญ นี้เป็นตัวอย่างของกุศลธรรมส่วนนี้เป็นอกุศลธรรมนั้นก็ยกตัวอย่างได้แก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ไม่ได้สชาจิปัญญามาเหมือนอย่างมนุษย์มีร่างกายพรอ้อมและกิจใจ ไม่อาจที่จะปฏิบัติพัฒนาให้มันเกิดความเจริญส่วนที่เป็นกลางๆงนั้นก็หมายถึง ร่างกายและจิตใจเองที่ได้มาโดยธรรมชาติธรรมดาตลอดจนถึง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 กระทำอะไระไรการพูดอะไรอะไรการคิดอะไรอะไรที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเหล่านี้นับว่าเป็นของกลางๆเห็นคนที่ต้องยืนเดินนั่งนอน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 ไช้ทวารทั้งสามคือกายวาจาใจเว้นจากอากุศ ล, ลธรรมธรรมะที่เป็นอากุศลประกอบอกุศ ล, ลธรรมคือธรรมะที่เป็นกุศลต่างๆ เพราะว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากการกระทาอันประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ สำเร็จเป็นการงานที่กระทําต่างๆอันเรียกว่ากรรมแปลว่าการงานที่กระทําเมื่อทําดีก็เป็นกรรมดีเมื่อทําชั่วก็เป็นกรรมชัว่วเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งถึงการกระทํา การงานที่กระทำดังกล่าวนี้จึงเรียกว่ากรรมและกรรมดังกล่าวมานี่คือการกระทำหรือการงานที่กระทำ เมื่อทำชั่วเราก็เรียกกันในภาษาไทยว่าทำความชั่วทำดีก็เรียกกันในภาษาไทยว่าทำความดีมีคำว่าความความดีความชั่วเพราะฉะนั้น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 มีความดีมีความชั่วมีความดีก็คือมีกุศลธรรมมีความชั่วก็มีก็คือมีอกุศลธรรมคำว่าธรรมะนั้นเป็นสภาพก็คือตัวความที่เราพูดกันในภาษาไทยนี่เอง แต่ว่าความดีความชั่วนี้จะปรากฏด้วยการกระทําเมื่อกระทําความดีก็เป็นกรรมดีเมื่อกระทําความชั่วก็เป็นกรรมชั่วแต่เมื่อไม่กระทําความดีความชั่วก็ย่อม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 ไปตามความดีหรือความชั่วที่กระทำและก็เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วขึ้นทันทีที่ได้กระทำความดีหรือความชั่วนั้นนี้เป็นสั จ, จักคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอน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 ร่างกายที่สมมติเรียกว่าอัตภาพตัวตนนี่แหละหรือว่าโดยตรงเมื่อยกเอาทวานคือทางที่จะกระทากรรมก็คือกายอัวานทางกายวจีตวานทางวาจามโนทวานทางใจ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 มีสังขารร่างกายนี้มามีกายวาจาใจนี้มารือเรียกตามภาษาธรรมะว่าเป็นวิบากขันคือเป็นขันที่เป็นวิบากคือเป็นส่วนพลที่บ่ายได้มาตั้งแต่เกิดไม่เรียกว่าเป็นดีหรือไม่เรียกว่าเป็นชั่ว เป็นกลางกางก็ให้ใช้ส่วนที่เป็นกลางกลางนี่แหละโดยเว้นจากกรรมที่ชั่วที่ผิดอันเรียกว่าอากุศลกรรมหรือบา ป, ปรกรรมประกอบกรรมที่ดีที่ชอบอันเรียกว่าบุญกรรมหรือกุศล อุสน ล, ละก ร, รมและก็ตรัสให้ชำระจิตใจของเราของตนเองนี่แหละให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะจิตใจนี่เป็นส่วนสำคัญมาจับกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้า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 ร้อมทั้งใจอันประกอบด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนคือใจและทุกคนเมื่อจะทำอะไรก็ต้องใช้ร่างกาย ใช้าตาใช้หูเป็นต้นเช่นว่าเมื่อจะฟังอะไรก็ต้องใช้หูฟังจะดูอะไรก็ต้องใช้าตาดูจะทราบ กลิ่นก็ต้องใช้จมูกจะทราบรสก็ต้องใช้ลิ้นจะทราบสิ่งถูกต้องก็ต้องใช้กายจะคิดจะรู้อะไรก็ต้องใช้มโนคือใจก็ต้องอาศัยอาจตนะเหล่านี้นั่นเองและโดยเฉพาะ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 ประกอบกันอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรทุกอย่างจิงต้องอาศัยทั้งหกทางนี้ประกอบกันยกตัวอย่างเช่นกำลังฟังธรร ม, มัญญาอยู่นี่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 กายนั่นก็คือร่างกายพร้อมทั้งหูเรียกว่าเงียหูที่จะฟังกายก็ต้องมีความสำรวมสำรวมวาจานั่นก็คือต้องสำรวมความคิดซึ่งเป็นต้นของวาจา ไม่คิดไปในเรื่องอื่นและสํารวมใจนั้นก็คือต้องตั้งใจมีความตั้งใจที่จะฟังเรียกว่าในการฟังนี้ หูก็ต้องฟังวาจาคือความคิดก็ต้องคิดไปในสิ่งที่ฟังใจก็ต้องตั้งที่จะฟังคือใจก็ต้องฟัง แปล ว, ว่าหูก็ต้องฟังใจก็ต้องฟังและความคิดก็ต้องคิดไปตามที่ฟังดังนี้จึงจะฟังได้ยินและเมื่อฟังได้ยินก็รู้เรื่องที่ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟัง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 าขาดเสียแล้วการทําการงานทุกอย่างไม่มีความสําเร็จตั้งแต่เป็นเด็กเรียนหนังสือมาในขั้นต้นจนตึองเรียนสําเร็จและเมื่อทําการงานอะไรทุกอย่างก็จะต้องอาศัยอาการทั้งสามนี้คือความสํารวม